50 languages. 36. m u k การขนส่งมวลชน Podukovarut. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ Bus near the m p e y n g y i r i k i r a d u รถเมคันไหนไปกลางเมืองคะเย็นเดอบั agara mayyathirkpohum ดิฉันต้องไปสายไหนคะ non น, น, นดสสเดอดิฉันต้องต่อรถไหมคะ n o ตีนนสส่ ด, ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ นั่นยังกบัสมาอะไรแหวนดตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะวันติกเก็ตมีเลยยต้ากี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะนักเรามายตุกผู้คนยต้านายนุเรศตังกลุลละคุณต้องลงรถที่นี่คะ่ะนี่งั้ลยัง வ ே ண ังก ம ் คุณต้องลงข้างหลังค่ะนี่งั ள ลปินบัลிยา க ก ற ங ் க ัே ண เว้นดมอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะอ ட ด்ุ த ர ய ி์் ம ล ட ม ர โท ந อ่ายินเดนิมิดะติลบรอีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะอัดุตเตอร์ทรัมพ์พัตเตนิมิดะติลบร อีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะอดัดต์ บ, บัสพอดีในนิวดัตเติลบารม์ ร, รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะคดีซีไรล์อิตต์เนย์มัิกรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหรคะคดีซีทรั ม, มอิตต์เนย์มัิกรถเมคเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ க ட ை ச ிซีบั த แค่นั้น க อไมคคุณมีตั๋วรถไหมคะคุณมีตั๋วรถไหมคะคุณมีตั๋วรถไหมคะคุตั๋วรถไหมคะคุณตัวรถไหมคะมีกกตัต๋ว ร, ร ไ, มมไม่มีตั๋วรถไหมคะคุณมีกก ต, ลลกกตั๋วรถไหมคะคุณมีตั๋วรถไหมคะคุณมีตั๋วรถไหมคะคุณตไหคมรตัปปรรร๋คะคุณตะีตคะคุรถไคะค